ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาสีปทุมและนำเสนอเจโตคิรสูตรมาโดยลำดับเป็นคาดเป็นการพูดถึงตะปูตรึงจิตห้าประการเครื่องผูกพันจิตห้าประการ เวก็อิติบาทพร้อมด้วยความขมกมเม่นอีกเป็นห้าประการรวมแล้วก็เป็นหลักธรรมสิบห้าประเภทด้วยกันเป็นการพูดในส่วนของกิเลสและเป็นพูดในการส่วนของการสลัดออกซึ่งถ้าเรามองดูให้ดีแล้วก็คือโครงสร้างของอริยสัจทั้งสประการ เพียงแต่ว่าความเป็นพุทธศาสนิของศาสนชนของเรานั้นไม่ว่าอยู่ในส่วน ใ, นใดของของโลกกระแะหรือแม้แต่ท่านลองสังเกตจากคำถามในวันจันทร์เราจะพบว่ามีความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยนี้ค่อนข้างสูงองค์พระพุทธเจ้าเองจะมีข้อข้องใจสงสัยในกรณี ตั้งแต่ตอนประสูตรจากพระคันพระพุทธมารดาแล้วเสด็จพุทธดำเนินได้เจ็ดก้าวเป็นความสงสัยที่ต่อนเนื่องยาวนานม า, มากๆจะมีการตอบชี้แจงยังไงก็ยังมีข้อข้องใจสงสัยของคนอยู่แต่เราก็ไม่สามารถจะพูดจากคนกับคนได้ทุกๆคน เรามพูดไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเชื่อไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจในพระพุทธเจ้าในจุดใดจุดหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจก็จะไม่หนักแน่นมั่นคงคือเรียกว่าศรัทธาจะไม่ยั่งหลงมั่นคงอยู่ในคุณปรัตนาไตรและจิตไม่จะเดินไม่ได้ เพเมื่อสงสัยในตัวหมอแล้วจะไปสงสัยในตัวยาและจะสงสัยในตัวผลที่จะเกิดขึ้นจากยาผลอาการมันชะงักตั้งแต่คำพูดของหมอ แ, แม้หมอจะให้ยาไปเมื่อไม่แน่ใจในตัวหมอก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจในตัวยาทำให้กระบวนการเยียวยารักษามันเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ไม่ได้ วันนี้อยากจะนาข้ออธิบายของพระตกอาจารย์ที่ท่านอธิบายขยายความในแต่ละประเด็นแต่วก็เป็นการอธิบายที่ค่อนข้างลึกซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งตอนในรายละเอียดเราก็ไม่รู้ว่าคนสงสัยในประเด็นไหนบ้าง สมมติว่าเราให้คนมาประชุมกันร้อยคนแล้วให้เขียนความสงสัยต่อพระพุทธเจ้าออกมาว่ามีกี่ประเด็นในพระธรรมมีกี่ประเด็นในพระสงฆ์พระสงฆ์มีกี่ประเด็นในใต้สีขามีกี่ประเด็นหรือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ตัวเองกระทบระดับนี้โกรธไหมระดับนี้โกรธไหมระดับนี้โกรธไหม เราจะเห็นว่าเราจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันก็มีสูตรที่จะสรงกันอยู่บ้างแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเพราะดูลึกๆแล้วเนี่ยคนเราก็สะสมอะไรไว้ภายในจิตใจไม่เหมือนกันแม้แต่บวชเป็นพระภิกษุสามนเณรในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีข้อข้องใจสงสัยในเรื่องของพระรัตนตรัยอยู่อีกเยอะ โดยระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันการให้การอบรมในปัจจุบันไว้เป็นการศึกษาในลักษณะเจิงนองไปคือไม่ลุ่มลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอหนูถึงจุดหนึ่งไว้จะเกิดความสงสยัยแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วความสงสัยจริงๆนั้นจะขจัดได้โดยผลของการปฏิบัติ ดวยวิธีเพียงกันจากการศึกษานั้นมันขจัดความสงสัยไม่ได้หรอกเพราะยังไม่ได้รับสัมผัสตรงคือคนเขาคนแต่และคนอยากหาข้อยุติได้ว่าเกลือเค็มเนี่ยทุกคนต้องได้ชิมถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ชิมเนี่ยก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ไว้ก็อธิบายมันก็อธิบายไปตามความนึกคิด หรือจินตนาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง น, อนั้นเพราะในข้อนี้ท่านอธิบายเอาไว้ว่าไอเจตโศวินิบันธามันก็หมายถึงเครื่องนวงเหนียวจิตผูกพันจิตแล้วก็เหมือนกับทำไว้ให้ในกมมือ หรือว่าเจตกีละ ok ก็หมายความว่าการที่จิตเป็นดุจตอไมคือไม่ขยับเขยื้นไปไหนถึงฝั่งลองสังเกตว่าเรื่นี้ที่จริงมันเป็นความรู้สึกภายในแต่ว่าการสืส่อสารด้วยความรู้สึกมันสื่อสารยากเพราะนั้นก็ต้องเอาโล ก, กวัตถุนี่มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพราะมันมีภาพคือเป็นรู ป, ปรธรรมที่สามารถสั ง, สงเกตได้และสัมผัสได้แต่คนก็ต้องมองไปที่องค์ธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ในแต่ละข้อแต่ละค้อนทีนี้ถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะเจริญในศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นไปได้ยาก พาะทั่งก็บอกว่าความเจริญวศิศีความงอกงามด้วยมัจความไพ่บูรด้วยนิพพานเนี่ยหรือความเจริญวิศีลและสมาธิความงอกงามด้วยวิปัสสนามัจความไพ่บูรด้วยผลและนิพพานในบทโรบุติงคือความเจริญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ตราบใดที่พวกเหล่านี้ยังมีอยู่ นี่ก็อย่างที่บอกว่าองค์ธรรมที่ปรากฏมาโดยลำดับเนี่ยส่งสแสดงทั้งในจุดที่มีปัญหาทั้งในจุดที่เป็นการจางคลายของความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจา ก, กจิตใจซึ่งตัวตัวเหตุจริงๆเนี่ยก็คือการดำเนินไปตามหลักของอริมาง ยกตัวอย่างว่าเราเกิดสมาธิธอ่งเงี้ยพอจิตมันเข้าถึงสมาธิธแล้วก็จิตมันจะไปตลอดถึงองค์มากทั้งทั้งแปดประการต้นคนระดับประโสดบันจึงขจัดความเครือบแครงสงสัยในพระตันตไใจแล้วก็ในใจสิขาในขณะเดีวยวกันท่านก็ไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธตอ น, น, นเราจะเห็นว่าพวกตะปูจึงจิตนี่มาถูก มันไม่ถึงกับทำลายเด็ดขาดหรอกแต่ถูกทำให้โยครอนอ่อนไหวไปไม่สามารถจะซึ่งจิต บ, บุคคลระดับนี้ไปได้ทีนี้พอเป็นเช่นนี้เราเห็นว่าเครื่องผูกพันจิตมันจะมันจะลดความเข้มข้นลงไปในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยพลังขององค์ธรรมในที่นี้ก็คืออิทธิบาททั้งสี่ประการ แต่ลราสังเกตว่าอิทธิบาททั้งสี่ประการที่จริงก็คือก็คืออริมัคคิยองแปดประการนั่นเองพอเวลาเราปฏิบัติเข้าถึงความสมบูรณ์ก็จะไปผนึกเป็นเนื้อเดียวกับอริมัคคิยองแปดประการพระองค์ทที่เราเห็นชัดๆเนี่ยในที่นี้ทรงใช้คำว่า ฉันทะสมาธิประธานะสังขารซึ่งก็หมายความเป็นพวกสมาธิติก็สมาสังกัปปะแต่การจะเกิดเป็นสมาสังกัปปะได้มันก็ต้องมีสมาธิติเปล่นตัววิวมังสาตัววิมังสาก็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิติสมาสังกัปปะ ที่นี้ปกิเลตมันลดลงไประดับนั้นเนี่ยเออที่จริงสีมันเป็นไปแล้วโดยอัตโนมัติอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าสิบสองปีแห่งการปรินิพพานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเผแผรศาสนาไปในส่วนต่างๆของชมพูทวีเป็นอันมากแต่ว่าไม่ได้มีการบัญญัติพระวินัย พระวจิตของพุทธสาวกยุคนั้นมันพัฒนาไปอยู่อย่างน้อยก็โสดาปฏิพลละก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องบัญญัติเป็นรูปของบทบัญญัติที่เราเรียกว่าวินยัยเพราะท่านมีวินัยในจิตของท่านเองเป็นวินัยที่เกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติตามสภาพจิต ก็ยันที่ก็ยกตัวอย่า ง, างบ่อยเนี่ยวะ่ะอย่างว่าสีข้อที่หนึ่งพอเขาขึ้นถึงจุดเมตตาได้เนี่ยสีนี้ค่าข้อมันก็เป็นโดยอัตโนมัติเองหรือแม้แต่ศีแปดข้อมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองถ้านานจะรักษาศีแปดเป็นนิตย์ีนก็ได้รักษาตลอดชีวิตก็ได้เพราะอะไรเพราะกา ร, รลาดละจางกลายลงไปของกิเลสเนี่ย ด้สภาพคุญจิตรี่มีเมตตาเนี่ยกิเลสประเภทโลภะเขาก็ลดตามราคะก็ลดตา ม, มโมหะก็ลดตามตวกิเลสประเภทโทสะเนี่ยมันก็สยบไปเลยโทสะไดที่ยังมีเมตตากิเลสประเภทนี้มันก็สัมแดงอาการอะไรออกมาไม่ได้ก็ไม่ในหมายความว่าหมดหรอกแต่ว่าไม่มีพลังที่จะแสดงออกมา พอถูกสยบไว้ด้วยพลังของเมตตาหลจริตที่เป็นอย่างนี้ที่ท่านพูดว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกมันก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวเอามานันเองเพราะถ้าลองสังเกตว่าคนในโลกมีเมตตาต่อ ก, กันเนี่ยก็ปัญหาต่งตางๆก็ยุติอย่าในบ้านในเมืองเราตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นมา ที่มีความขัดแย้งกันในประเด็นของปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาแต่ก็สร้างให้เป็นปัญหาเกิดจะด้วยอะไรก็ตามแหละแต่ก็สรุปว่าว่าก่อให้เกิดความแตกแยเกเป็นเราเป็นเขาซึ่งมีเชื่ออยู่เยอะแล้วอะ่ะพราะรับเชื้อบวกเข้าไปมันก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับ อร่อยร้าวมันมีอยู่แล้วแล้วก็ไปทุบไปตีไปกระทุ้งเข้ามันก็รอยร้าวมันก็เพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ไม่ว่าชนชาติใดก็ตามหรือแม้แต่หมูสัตว์เองนะฮะก็มีลักษณะอย่างนั้นเพิลองค์ธรรมที่ท่านแสดงในที่นี้ว่าความสงสัยในพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านยกตัวอย่างว่าภิกษุสงสัยในศรีระหรือพระคุณของพระศาสดาเพราะในส่วนของรสรีระเองเราจะเห็นว่าบาลีรุ่นหลังนในการพูดถึงพระศรีระของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าถ้าเทียบกับพระพเจ้าองค์ ก, ก่อนเนี่ยจะเตี้ยมาก แต่ว่าเรานึกโดยสามัญสำนึกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะมีสูงตั้งสิบแปดซอกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ต้องนึกว่าคนสูงสิบแปดซอกเนี่ยมันขนาดไหนแต่ว่าเราก็นำสื่อข้อความตรงนี้มาเรื่อยนะะโดยไม่ได้ตัดทิ้งไปหรือว่า ให้อยู่ในหนังสืออย่าเอามาเผยแพร่รพอเผยแพร่ไปแล้วมันมีแต่เพิ่มความสงสัยแล้วพอเราใช้ความรอบรู้ที่เกี่ยวพระเจ้ามาเชียดเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าพระเจ้าสูงกว่าคนสามัญธรรมดาเกินปกติเพราะในการต่อมาเนี่ยกรมพระอรม า, ากรมพระยาบริสุทธยาลงกรณ ท่านคิดเรื่องสุกตะวิทัตชิคือคืบสุขตโดยเกณฑ์กำหนดมาตราวัดความสูงในสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดถึงเล็กข้าเปลือกแต่ก็ใช้วิธีการตรงนี้คำนวณแล้วออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็สร้างพุทธรูปเป็นต้นแบบขึ้นเขาอยู่ในพระบระมาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเคล้าจะอยู่หัวก็ปรากฏว่า โดยสูตรของการคำนวณเนีนย่ยก็ทําให้ประสิริของพระพุทธเจ้าก็สูง190เซนหรือก็มาความามงคลในนี้สูงเยอะ190เซนแล้วเรามาดูในส่วนของจีวเรเดียกว่าสุคตแต่โดยโดยคืบสุคตเนี่ยจีวรพรเจ้าทรงข่มมันก็กว้าง6คือบอยาว9คืบ ก็หมายความว่าถ้ารุคิดเป็นเม็ดก็คือสองเม็สามเมตรกว้างสองเมตรก็ยาวสามเมตรซึ่งเวลนี้จีวนส่วนใหญ่พระก็ใช้กันระดับนี้ก็หมายความว่าพระเด็นตรงนี้ถ้าเราเผยแพร่ไม่ถูกต้องมันก็ไปเพิ่มความสงสัยแล้วมันก็คิดไม่ออก คนสูงขนาดนี้ เ, เดินมาเนี่ยคนจะเกิดสถานเลื่อมใสเนี่ยค น, นไม่ออกพระิินก็มองไม่เห็นนะมาแงหน้ายัางไงก็มองไม่เห็นค น, นะ น, านา อ, อายุรอยอส่งสูงสิบแปดศอกเลในพระพุทธสิริรรถ้าเราดูเฉพาะที่บาลีเนี่ย ก็ยังมีคนค่้องใจสงสัยในหลายประเด็นคือมหาปุริษะลักษณะสามสิบสองประการเนี่ยบางประเด็นคนก็สงสัยยันในสมัยก่อนเนี่ยคือจากการที่ว่าคนซึ่งเรียนตำนาหมหาปริษะลักษณะสามิบสองประการมาเนี่ยคือบางคนเนี่ยมันมันมันได้เยอะเต็มพรามภาวรีเนี่ย ถ้ามีสมบัติของหมาบุรุษเยอะเทียนแต่ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าคือไม่ครบสามที่สองประการนั้นบางคนก็คล้องใจสงสัยในการที่กระสุดแลวเรินด้วยประวัติด้เจอดเก้าแต่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นกฎมันเป็นกฎเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ผู้จะสัตรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพ ร, ระโทธิสัตว์มีหลายระดับคือสรุปแล้วก็มีสองระดับใหญ่ระดับหนึ่งก็เรียกว่าอนิจจตาโพธิสัตว์คือไม่แน่ว่าจะได้ศัสรูหรือไม่ศัตรุ้แต่พอพอได้รับการพยากรณ์จากพระที่ปังกรพุทธเจ้าอย่างพระเจ้าเราเนี่ยพอรับการพ ย, พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ปังกร อันนี้เาเรียกปลงตัวแต่มีข้อแม้ว่าอีกสี่แสนสมแขกับกมัยแสนกับแล้วก็ตอนพิสูจน์เนี่ยจะประกอบด้วยสิ่งมหาศาจรสย์19ประการก่อนทั้งก่อนนะและทั้งทั้งในขณะนั้นๆันพราะหนึ่งในส9ประการเนี่ยคือเรินด้วยประบาทในเจ็ดเก้า เปล่งพระวาจาเป็นอสุภิวาจาศ์หรือแสดงความองอาจกระหารของพระองค์ในแง่ความจริงเป็นบุพนิมิต ร, ระยะสันส้นๆเป็นปรากฏการณ์โดยบุญญาธิการที่เราเรียกว่ากรษสดาพินีหารเป็นปาฏิหารคือเป็นคุณสมบัติเฉพาะคนระดับนี้เราคิดเหตุผลสามัญไม่ได้ คือมันต้องคิดด้เหตุผลวิสามันมันจะพาะกรณีทําไมลูกช้างเกิดมาแล้วเกิดเดินได้ทําไมลูกโคลูกควายลูกไก่ลูกเป็ดอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นธรรมดาของเป็ดเป็นธรรมดาของไก่เป็นธรรมดาของโคเป็นความสําเร็จโดยกําเนิดคือะเห็ว่าเราก็นึ่งถึงกรรมโยนนี้เนี่ยคนเรามีกรรมเป็นกําเนิดแต่ในพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยเงื่อนไขของกางสารวัตรก็กาหนดไว้อย่างนั้น และจริงๆเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องจะมีหรือไม่มีนี้ไม่ได้ทําการศัตรูของพระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่ามันเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนคนเนี้ยต่อไปจะศัตรูเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่มีคนอสม บ, บัติครบสิบกาประการที่ท่านกล่าวไว้เนี่ย มันก็อาจจะเป็นพระอระหันต์อาจจะเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นพ ร, ระปัิเยกพุทธเจ้าได้แต่เป็นพระอระหันต์สมะสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องสำเร็จมาในรูปรกายเสก่อนและยังพูดถึงอนุพยัญชนะแปดสิบประการหรือยิ่งไปใหญ่เลยแต่ทีนี้ถ้าถามว่าอย่างยังธรตมาเองเนี่ยคือไม่คุ้นสนใจมาตั้งแต่ต้น แต่ท่านจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ติดใจแต่ว่านั่นคือความจริงที่เราไม่สามารถไปเสดได้เพราะมันเป็นกฎเป็นกฎที่มีอยู่โดยเงื่อนไขธรรมชาติธรรมดาคือแสดงว่าอภิมนุษย์เนี่ยมั้นจะเหนือมนุษย์มาตั้งแต่เกิดกันเลยแล้วก็ต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ส่วนพระคุณเน่ยเกิจาว่าส่วนพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบทอิติปิโสภควาเนี่ยพอเอาก็จริงพอเข้าถึงในยะที่จะต้องอาธิบายขยายความแต่ละบทเนี่ยคนบางคนก็คล่องค่องใจสงสัย อย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างนิโครนนาตบุตรทึงส่งอภัยรชัชกาลมาให้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยการผูกปัญหาขึ้นก็เรียกว่าอุปโกติคือปัญหามันสองเงื่อนมีลักษณะเหมือนกับแพะชนกันเขาเรียกว่าแบบเมนทักกปัญหาหมายความมาไปดักไว้ทั้งสองทางออกซ้ายก็ขอขัดคอได้ออกขวาก็ขัดคอได้ ก็ถามว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งคำหยาบไหมหรือว่าไม่รับสั่งคำหยาบถ้าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ารับไม่รับสั่งคำหยาบเขาจะยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสูงตาหนิพระเทวทัตออกมาทีนี้่ถ้าบอกว่ารับสั่งคำหยาบเาก็บอกเอ้ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากสามัญชน ขุยวิจาจึงเวลารับสั่งตอบในรับสั่งตอบปะมันก็นแล้วแต่กรณีราชกุมารคือไม่ไปทั้งซ้ายท้งขวาที่ก็ดักไว้แล้วก็ทรงยกตัวอย่างจนรจาชกุมารอภัยราชกุมารยอมจำนุนแล้วในการต่อมากออกบวชในสำนักข้าวเจ้าสําเร็จเป็นพระหันท่านวั น, นี้ก็เป็นพระเจ้โอรสของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของ หมอชิวโกมารพัสเป็นคนที่เลี้ยงดูหมอชิวโกมารพัสมาแล้วก็ส่งเสียให้รัเรียนจนมากลายเป็นแพทย์หลวงในตอนหลังแล้วก็แสดงเห็นว่ามันก็มีจุดที่คนเขาข้างใจสงสัยในตัวพระคุณเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไอ้คำว่าใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดคำไพเราะเสมอไป เพราะในแง่ของการบริหารคนมันก็ต้องมีหลักการีนเคราะ์ประเคราะห์คือตำหนิแล้วก็ยกย่องแต่คำคำตำหนิถ้าเราพูดแบบยกย่องมันก็เป็นการประชดทีนี้่ถ้าคำยกย่องเราพูดแบบตำหนิมันก็กลายเป็นการตำหนิไปเพราะตำหนิมันเป็นโลกภาษาโลกนิรุตโลกสมัญญาโลกกบฏหาร เราต้องสื่อสารให้คนฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจโดยตัวเองไม่ได้ยึดติดอะไรในคำเหล่านั้นแต่ถ้าสื่อสารด้วยถ้อยคำเหมือนสรรเสินี่คนที่ผิดมันจะไม่รู้ว่าผิดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องโกรธยกตัวอย่างว่าพ่อแม่ดุด่าลูกเนี่ยถามว่าโกรธลูกหรือเปล่าก็ไม่ได้โกรธแต่ว่าด้วยความรักความห่วงใย กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นแก่โลกก็มีแก่ลูกก็มีการกำราบปรามตามสมควรหรือบางครั้งม่คราวก็อาจจะสงสัยในตัวสัพพยุตยานที่บ่งบอกผู้เจ้ารู้เรื่องอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันจริงไหมเพราะฉะนั้นมีคนเป็นอากที่ไม่เชื่อเรื่องชาดกก็เคยมีเพื่อนเป็นพระเขมร ก็ถูกคำอินเดงฆ่าตายไปแล้วคือแกพูดว่าฉดดกเด็กที่จริงก็เป็นนิทานที่เขาเล่ากันบอกไอ้คุณพูดอย่างนั้นได้งไงมันเป็นเกิดขึ้นมาโดยสัพพัญญุตยานของพระเจ้าพระเจ้าก็นํามาประกอบเล่าประกอบการเทศซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ผูกโยงอยู่กับคนที่โปร่งเทศอ่ะ เพราะการจะไปสอดคล้องกับเรื่องราวชีวิตประวัติของใครคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันจะไปคล้ายคลึงกับคนอื่นอีกเยอะเลยพเพราะเส้นทางชีวิตประยุษธ์มันก็ไม่มีอะไรอะคือท้งถูกทางผิดทางดีทางชั่วก็ เ, เรียกว่าสุ ก, กุโตทุ ก, กุตโตเดินไปดีหรือเดินไปชั่วแล้วก็จุดหมายปลายทางก็เป็นสุ ก, กติกับทุกติมันก็มีอยู่สองทางอันหนึ่ง เพราะฉะันถ้าเราไม่มั่นใจในตัวพยานตรงนี้เราจะแกว่งแม้แต่โดยสะดกเพราะสะดกเป็นเรื่องอดีตแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเป็นนันมากที่สูงแสดงไว้ในอนาคตแต่เราไม่เชื่อพยา น, น ก, ก, ก, ก, ก็เกิดสงสัยในการรับรู้ของพระเจ้าลองสังเกตว่า เรียว่าทำนายปทัทเวนการทำนายของพุทธทํานายที่ส่งทํานายสุบินิมิตของพระเจ้าเปรตในกุศลเนี่ยมันมีการพูดกันเป็นช่วงๆเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงกับที่ส่งส่งทํานายเอาไว้อะที่จริงก็ส่งแสดงไวนะ้น่ะไม่ใช่ทานายหรอกมันเป็นการรู้ด้วยอนาคตังสยา เป็นประยานที่รุงรู้เรื่องซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราคล่องใจสงสัยในประยานแล้วก็ทาให้เราสงสัยในสิ่งที่ทรงแสดงเกี่ยวกับอนาคตแต่ว่าเมื่อเรามาที่เกียงสอบทานดูก็ปรากฏว่า ก, ก็ตรงท่านั้นสแสดงว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ปิจิกิาใน ความเคลือบแคลงสงสัยท่านบอกว่าวิจิกิจติเมื่อวิจัยย่อมเคลือบแคลงอีกคือย่อมถึงทุกขย่อมไม่อาจวินิจฉัยก็ย่อมไม่ได้เพื่อการน้อมไปว่านั้นต้องเป็นอย่างนี้คือจิตมันจะไม่เดินเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่า ย่อมไม่อาจเพื่ออย่างลงในพระคุณทั้งหลายแล้วเลื่อมใสโดยความเป็นผู้ปราศจากความเครืบอแครงคือเป็นผู้หมดความสงสัยมันจะงักนิดเดียวไปไม่ได้ ป, ปัญหาสำคัญเนี่ยพลังของปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับโยนิโสมณสิกาเนี่ยต้องมีคือต้องคิดตาม คือถ้าเราสังเกตวิธีการของบุรพาจารย์ในอดีตก่อนจะเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านจะเทศพระพุทธคุณซะก่อนโองพุทธคุณไปถึงสิบนาทีสิบห้านาทีนะเคยพบหลวงพ่อที่ต่างจังหวัดท่านเทศพุทธคุณอยู่เป็นชั่วโมงก่อนนะถึงข้าเรื่องเนี่ยพราะคนรุ่นนั้นพังเทศดูเดือดมากเลย ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงฟังเฉยบางคนแม้แต่จะเข้าหองน้งก็ยังไม่ยองข้าวแล้วความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงหลังพศสองพันห้าร้อยเมื่อก่อนด้บ้านอามานี่คนคนฟังเทศฟังเทศทนจริงๆอามาเองก็เคยเทศขนาดสองทุ่มถึงตีสอง ก็เคยเทศเคยเทศจากบายโมงถึงถึงหนึ่งทุ่มก็เคยเทศเจ้าแสดงว่าคนฟังก็แน่นอย่างเงี้ยไม่ขยับไปไหนเลยก็ทำให้เรานึ ก, กว่าเออเมื่อตอนที่กลุ่มดาวะโลกเข้ามาเผยแพร่คำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องอิสลามเนี่ยฟังเป็น ร่วมสิบชั่วโมงหรือสิบกว่าชั่วโมงนะแต่ถ้าเราไปดูที่อินเดียเนี่ยอินเดียฟังได้ทั้งคืนนะฮะเดียฟังได้ทั้งคืนเล ย, เ, ย, น เ, นยเป็นชาติที่แปลกพูดได้นานมากแล้วก็ฟังได้นานมากแล้วฟังดีตั้งใจนี่คือคือคือเป็นเป็นความอัศจรรย์ในด้านเผ่าพันธุ์มนุษย์ เขาพวกนับถือสถกสีมัทพระกัฏคีตาเนี่ยเขามีการประชุมแล้วก็มีการบรรยายเรื่องปริญาในระบบสมีมัทพระกัฏกีตาโกลความกันเป็นเป็นช่วชุ่มเออเป็ น, เ ป, นเป็นเรียกว่าเป็นคืนคืวันวันวน่ยนะใ น, น, นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปว่าในสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยฟัง เทพคืนยังรุ่งกขาบอกว่าตลอดรุ่งเราก็พบเรื่องเยอะว่าพระเจ้าเทพรุ่งบางทีก็หน่งเทศต่อบางทีก็เทศอยู่พระองค์เดียวก็เทศจนรุ่งเพราะฉะนั้นาการให้ความรู้ข้อมูลเนี่ยต่อเรื่องขนาดนั้นเนี่ยมันแล้วพระเจ้าถ้ามีพยานรู้สภาพจิตของคนเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาภายในจิตของคนไปได้เรื่ๆผู้ฟังเองมีความรู้สึกพระเจา้าคุยกับเขา มองมาที่เขารับสั่งกับเขาทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นพระพอาจารย์อุปมาว่าเหมือนกับคนจะอยู่ในส่วนต่างๆแต่ตอนเชืง้ ง, ง, ง, งคืนมองก็นไปบนท้องฟ้ารู้สึ ก, กว่าพระจันทร์อยู่เหนือศีรษะตัวเองเวลาพระเจ้าเทศก็จะมีลักษณะนนอย่างนั้นเพืนคนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยเครียแกร่งสงสยัย แต่คนสมัยนี้พื้นฐานของโยนิโสบาลิกาเนี่ยระบบการคิดเนี่ยเรจาจะพราะว่าเขาไม่เคยคิดอะไรก็ฟังเลยผ่านผ่านไปคือคือไม่ไม่เคยคิดเพราะหเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยที่จริงมันพิสูจน์ผู้พิสูจน์วุฒิภาวะของคนมากพิสูจน์ทางด้านคุณธรรมพิสูจน์ทางด้านปัญญาพิสูจน์ทางด้านเหตุผลพิสูจน์ทางด้าน พื้นฐานในด้านข้อมูลดูไปจึงถ้ารถเราเทียบแต่มันก็เหมือนกับคลื่นสึนามิคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มาจากใต้น้ำเพราะฉะน้นเราจะไม่มีข้อมูลคนไทยส่วนใหญ่จะไม่มีข้อมูลในเรื่องคลื่นสึนามิเพราะฉะน้นเมื่อมีปรากฏการณ์ก่อนที่จะเป็นคลื่นเนี่ยจึงไม่มีข้อมูลที่จะวินิจฉัยใช้หลักโยนิโส ม, มนิการไม่ได้เพราะข้อมูลมันไม่มีเลย ในขณะที่เด็กผู้หญิงชาวอังกฤษตะโกนบอกว่าสื่อนามิสื่อนามิเนี่ยญี่ปูนมีข้อมูลฝรั่งมีข้อมูลเขารีบวิ่งทันทีเลยมองไปเขาเห็นเขาก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอตะโกนบอกคนไทยเนี่ยเขาก็ถือเป็นเรื่องตลกเดินหัวเราะต่อกระซิกันพอเขาเร่งข้าวก็วิง่งเหาะเาะเหาะเหาะเหาะภาพเหล่านี้ยเขาส่งเป็นวิดีโอมาให้ดูเออ ทำให้เราเห็นว่าออไอ้เรื่องข้อมูลเนี่ยจะเป็นเป็นหลักการสำคัญมากสมมติวนปัจจุบันอาจจะพูดว่าขาดองค์ความรู้ในเรื่องของสึนามิเพราะาไอ้คลื่นอารมณ์คลื่นของสื่อต่างๆที่ถาโถมพัดเข้ามาท่วมทับสังคมอยู่ก็มีลักษณะอย่า ง, งนั้คือวิธีภาวะในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเออจะหย่อนในด้านในด้านเหตุผล แต่ละหลักการฮนะแม้แต่ว่าพูดพูดเรื่องกฎหมายก็ก็ไม่เข้าใจไอ้กฎหมายแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือไม่ได้ย้อนกลับไปดูเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ย้อนกลับไปดูที่รัฐธรรมนูนพูดเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้ย้อนกลับไปดูที่กฎตัว บ, บทกฎหมายนั้นก็แสดงให้เห็นไดงว่าการรับข้อมูลในด้านต่างๆ ท, ท, ที่ต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่อง ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกบางเรื่องโดยจฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ข้อมูลขัดแย้งจะใช้ความรู้สึกต่อคนพูดเป็นตัวกำหนดหมายความว่าพวกเราพูดเรคือถูกแต่คนอื่นพูดก็คือผิดแล้วก็อย่าลืมอารมณ์มนุษย์อารมณ์มนุษย์ที่บอกว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความกลัวก็มีความกลัวเกิดจากความกลัวก็มีความกลัวเกิดจากความรักก็มีอันนี้สาคัญมาก คือบางครั้งเนี่ยมันมันคนคนนี้เขาเป็นพวกกับเพื่อนเรากับญาติเรากับพี่น้องเราทาั้งทั้งเราไม่รู้จักเขาเราก็เชื่อนั้นแสดงว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความรับก็นำไปสู่ความเชื่อหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยยังจะเห็ยดนะใช่ใลา้ากๆกับพวกเซนแมนหลายเนี่ยแล้วเราก็ไปเชื่อเขา แต่ทั้งทั้งที่เขาเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่จะมาพูดล้วงกระเป๋าเราอะ่ะแต่เราก็ เ, เชื่อเขาแล้วก็เชื่อคอน้า ง, ง่ายด้วยแต่พอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับเชื่อยากเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วก็เป็นของเขาอย่างนี้นะทุกขนทุกแขงแหละเพราะท่านท่านจึงอธิบาย ถึงสภาพอิทีิบอกว่าน่าสมประสิดธิคือย่อมไม่อาจเพื่ออย่างลงในพระคุณทั้งหลายแล้วเลื่อมใสโดยความเป็นผู้ปราศจากความเครือบแรลงคือความเป็นผู้หมดความสงสยัยที่ยังบอกว่าวันตะวันก่อนนะี่ยที่พูดว่าคือบาลีท่านใช้คำว่าอันสัตย์ยัคือหนึ่งไม่เชื่อเลยอสองวิจิกิสาคือเครือบแคลงสงสยัย ทีนี้ถ้าจิตเป็นยังเป็นอย่างนี้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหาขาดใจแล้วบางทีก็ขาดอยู่อย่างนี้ยตลอดตลอดชีวิตทีนี้คาว่าความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อทีนี้ความเพียรที่ต่อไปบ่อยเนี่ยท่านเรียกว่าอนุโยกายะ คือประกอบความเพียรบ่อยๆแล้วก็เพื่อการการะทําที่ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่การตั้งมัน่นก็หมายความว่าความที่จิตเป็นธรรมชาตินี้แข็งกระด้างแข็งกระด้างเพราะอะไรในกรณีนี้แข็งกระด้างเพราะความเครือบแคลงสงสัยในรู้แทธเจ้าพระบุคคลที่ยังขจัดตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ติดอยู่ตรงนั้น ทีนี้ส่วนพระธรรมเนี่ยอาจจะสงสัยในตัวองค์ธรรมเขาเรียกปริยัติศาสธรรมเนี่ยอาจจะสงสัยเช่นเช่นช่นฮิริโอต ป, ปะเปตามาคุ้มครองโลกได้จริงไหมอย่างวันก่อนได้ยินชาวบ้านก็พูดยังชมเขานะยังชมเขาว่าแต่ เ, เพียงแต่คุณมีฮิริโอต ป, ปะแล้วคุณก็ไปต้องไปนับข้อแล้วก็ใช่ถูกต้องเพราะฮิริโอต ป, ปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะสะกัด กั้นสิ่งที่เป็นจะเป็นปัญหาไม่มาสู่จิตใจของตัวเองละอายที่จะคิดละอายที่จะพูดละอายที่จะทําแล้วก็กลัวผลกระทบจากการพูดจากการกระทําแม้แต่จากความคิดจิตใจก็จะละเมิดละไม่ที่นี้สงสัยในการปฏิบัติโดยเฉพาะที่เราแว่งมากเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเรื่องศีล และที่แขวนสุดๆคือเรื่องสีห้าสี่น่าจะเป็นความแขว่งสุดๆเลยเพออะไรบางคนรู้สึกว่ามันเป็นการทาลายโ อ, อกาสเป็นความสูญเสียของตัวเองสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของตัวเองอยากจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้อยากจะลักขโมยเล่นการพ น, นันอะไรตะแรงต่างๆก็ไม่ได้ เออตลอดถึงฉนว่าเพระธรม 8, 000, 000, ร, ะรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อะไรอะไรเนี่ยมีจริงหรืออะไรเนี่ยคือคือคื อ, คอประเด็นมันจะเยอะมากที่เป็นจุดให้เกิดอาการชงงักงนันหรือโดยเฉพาะยุคคือคื อ, ค อ, คอตัวผลเห็นไหมความสงสัยว่าในรลกสวรรค์มีจริงไห้ชาติก่อนมีจริงไหมชาติหน้ามีจริงไว้อพรหมโลกมีจริงจริงไหมพระยะบุคคลมีจริงไหมโอ้นี่เป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาทาวร ครอบงำโลกอยู่ตลอดระยะเวลาท่านท่ก็บอกว่าเมื่อสงสัยในปริยัตปฏิบัติปฏิเวเนีก็จะสงสัยว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าความไหลออกแข่งวิปัสนาชื่อว่ามร์ความไหลออกแข่งมร์ชื่อว่าผลการสลัดออกซึ่งสังขารทั้งปวงชื่อวานิพานธ์นังเนี้ยมันมีอยู่หรือไม่มีไอ้แม่จะสงสัยในตุวผล แม้แต่ในเวดวงพระเร่องนี้ยังเฉียงกันไม่แ ม, ม้หาข้อยุติไม่ไดนะ้ถ้าเราจะไปถามพวกพระธรรมกายเนี่ยวัดธรรมกายสายธรรมกายจะเป็นนิพพานอีกเรื่องนึงเลยคือตัวปฏิเวทจะอีกเรื่องหนึ่งได้จะไม่มีในคําสอนเทรวาตเพราะฉะั้นพวก น, นี้จะวิจะใช้วิธีอ้างเช่นอ้างประถมสมโพธิสมเด็จสงังกรสาเรียบเรียง ทำไมไม่อ้างตัวพระบาลีจริงๆนะเพราะจริงๆแล้วแต่ราดูที่ตอนท้ายของธรรมจักมันก็บอกแล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นภพต้องเป็นชาติแต่ว่าภพชาติเนี่ยก็อย่าลืมมันเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานมันเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากเวทนาเวทนามนเกิดมาจากสัมผัสสัมผัสมันเกิดมาจากการ วิญญาณวิญญาณก็เกิดไปจากการประจุของยานตนาภายในภายนอกทีนี้ตัวมันเองก็มาจากนามรูปนามรูปเองก็มาจากจากกรรมในกรรมเนี่ยมันก็มาจากอวิชาเมื่อว่ากลายเป็นสังสารวัตรอังกลายเป็นสังสารวัตรแต่ว่าเราก็ชอบที่จะมีนิพพานอย่างนั้นเพราะเราเห็นว่า แต่ว่าพระธรรมกายเกิดมาไม่กี่ปีแต่ถามวาสมาชิกของธรรมกายแบบนียมีเท่าไรคิดว่ามีเป็นล้านๆนะฮะเขามีโดยเฉพาะดาวธรรมเขามีรายการวิทยุอะไรๆเยอะทั้งในทั้งต่างประเทศมีเครือข่ายมีสาขาอะไรๆออกไปเยอะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนพอใจจะอยู่ตรงนั้นมาก็ว่ากันไปก็ ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าน่าจะหาคำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เกิดสับสนในกระบวนการเรียนรู้ของเราปรณิพานในพระวสนามันไม่เป็นภกเป็นชาติมันก็ดับอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับปิญญาดับเห็นไหมฮะสายดับเนี่ยมันดับไปหมดเลยมันไม่มีการเกิดไม่มีสิ่งไปเกิดไม่มีสถานที่ที่ไปเกิด เพราะมันไม่มีนิพานเป็นเป็นศูนย์เป็นสุญญตาสุญญาตัสซาม่กัตตาจะมันเป็นสุญญตะเป็นวิสังขารคนก็เสียดายพบชาติเสียดายบุญบาปเสียด้บุญ น, นะฮะไม่เคยเสียด้ยบาปเท่าไรแล้วเสียได้บุญก็เลยก็อยากจะเกิดต่อก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้ให้ลองสังเกตว่านี่ที่จริงก็คือ ค, อความสงสยัย ทีเมื่อสงสัยตัวเองก็อย no in ู่หยุดตรงนั้นกันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้แปลกอะไรก็เหมือนกับอาลาดาบทกาลามโครุตกาดาบทรามบุท่านก็อยู่หยุดตรงนั้นแตอย่านเรวยาท่านก็มีพพมีชาติการตายของท่านอาลาราบทกาลามโครุตกาดาบทรามบุรุกเจ้าใช้คําว่าท่านทั้งสองนี้ประสบความชิบหาอย่างใหญ่เลยใช้คําอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะพระพุทธโลกเนี่ยมันจะไปพักสังสารวัตอยู่ เลยตอนท่านท่านหมดบุญในพรหมโลก้ท่านมาเกิดเนี่ยมันเกิดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วยุคนั้นเน่ศาสนาพูดมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันจึมีความเสี่ยงสูงอยู่แต่ทีนี้พอเราใช้คำอย่างเดียวกันก็เลยก็สงสัยเนี่ยถกเถียงกันเดี๋ยวนี้แล้วก็พยายามที่จะยืนยันซึ่งมีการประนีประนอมได้ว่าคุณต้องการอย่างนี้คุณก็บอกเลย และอย่าเรียกว่าอญญายตนานิพน์เรียกอย่างอื่นเสียเพราะว่าเทราวาตมันไม่มีอญญายตนานิพนก็เท่า น, นั้นเองแต่ว่าปัญหาซึกไม่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็พูดแต่สิ่งที่เขาสัมผัสอ่ะเราจะโทษเขาก็ไม่ได้เขาสัมผัสอย่างนั้นเขาก็อยู่ตรงเนี้ยเขาก็บอกตรงเนี้ยคือนิพพานแล้วเขาก็มองต่อแบบท่านราดาบท่ทานกุฏกาดาบท่ะ ในขณะที่บริษัทท่านมองไปอกจฉอตนางะผมไม่มองก็จบผูงฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทรรายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ธนธรรจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี